เระเล่าให้ภาษาริบุทฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าสังคปาละมีฤทธิ์มากมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษแรงกล้ามีลิ้นสองแฉกเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายนะสำนวนของนางก็เป็นยังไงลิ้นสองแฉกเนี่ยนะทุเฉีวหาว่าลิ้นสองแฉกเขานะก็มีเขี้ยวเป็นอาวุธพิษก็ร้ายแรงชาตินั้นเราก็อธิษฐานอุโบสถมีองค์4ประการ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 จริงนะทำไมคนยุคนี้มันเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเมื่อวานในแมงเรื่องร้านงูเห่าเขามันร้านงูเหา่าเลี้ยงอาหารป่าทุกชนิดเหมือนกันนะเช่นงูเห่าเป็นต้นเนะี่ยไปบริโภคได้พวกนกี้ก็อย่างคนคนเอาจริงๆนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็สละจริงๆเหมือนกัน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 ก็พึงยังมหาปตพีมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าพร้อมทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ใช่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอานาจแล้วก็เลยยอมเขาพิทุกอย่างไม่แต่เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรนายพรานแม้จะแทงด้วยหลาวแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราชนิดแั้น น, น, นี่เป็นศีลเพราะฉะนั้นไม่ยอมกโกรธพรามหมายเขาบว่าถ้าโกรธแล้วฝกฝ่ายตายแน่นอ น, อนันเรื่องราวของท่านสังฆปาละพญานาคเป็นอย่างไรบอกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ขวนขวายในบุญมีทานศีลเนคธรมะเป็นต้นหรือทานศีลภาวนาเป็นต้นท่านท่องเที่ยวไปมาในคติของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการแสวงหาโพธิญาณ โดยมากแล้วมีน้อยมากะนะที่ท่ทานจะไหลไปอาบายโดยมากก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานี่แหละแต่บางครั้ ง, งนะหมายความว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นานๆเข้าอะไรเกิดขึ้นสังสมนิสัยขี้โกรธสังสมอะไรไปสังสมไปสังสมมาพลาดไปเกิดเป็นพญานาคเพราะฉะนั้นอย่างว่านะตัอย่างที่เคยกล่าวหลายๆครั้งว่าคนมีทรัพย์นี่รวยจริงๆก็ถามว่ามีมื้อบางมื้อที่ไม่ได้กินมีไหม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 เดินตากฝนฝนก็เปียกนะยมฝนเปียกมาเลยเดินตากฝนฝนก็เปียกชันใดถ้าเดินใกล้คนพานเลก็เพื้อนบาป ก, กลับมาสิแล้วก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพญา น, นาคท่านก็ได้เกิดก็เกิดเป็นพญา น, นาคในพิภพมีสมบัติเช่นกับสมบัติของเทวดาเป็นนาคขราชชื่อว่าสังฆปาลมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก หน้าคราตนั้นเมื่อการผ่านไปรังเกียร์สมบัติของความเป็นพญานาคปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์จึงอยู่จงังโมโบสถคือเป็นพญานาคเนี่ยนะจริงอยู่ว่าสมบัติมันเยอะจริงแต่ว่ามันมีความอาภัพในตัวหลายอย่างอาภัพอะไรบ้างทานชาญเจริญชาญก็ไม่ได้เจริญมีศาสนาชั้นสูงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เกิดในพรหมโลกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะ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 รักษาศีลไหมไอ้ที่เรียกกบจําศีลเนี่ยมันหากินไม่ได้ไม่ใช่มันจําศีลอะไรที่ไหนหรอกเพราะมันกระโดดยองๆเนี่ ย, ยตายเกลี้ยงแน่นอนไม่ใช่คางคกเพราะนั้นมันอยากมีชีวิตยืนดีหน่อยก็ต้องแปลงร่างให้มันหน้าเกลียดแบบคางคกแล้วก็มีพิษแบบคางคกคนก็ไม่กิ น, นที่เรียกว่ากบจําศีลไม่ได้จําศีลอะไรหรอกกลัวตายมันมนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่าง น, านั้นปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยจําอุโบสถรักษาศีลเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์ เมื่อนาคราชนั้นอยู่ในนาคพิภพการรักษาอุโบสถก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็เศร้ามองเพราะเศร้าหมองอะนะเขามันก็ว่าไปรักษาศีลอยู่ใกล้ๆวงดนตรีจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะพวกวังทั้งหลายก็ เ, เต้นร้องรำทําเพลงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพวกฝ่ายที่จะร้องก็จะร้องอย่างเดียวนะศีลก็เลยพูดวายไปหมดหนาคราคก็เลยออกจากนาคพิภพล้อมจอมปลวกแห่งหนึ่งในระหว่างทางใหญ่ แล้วก็เป็นทางเดินทางเดียวไม่ไกลแม่น้ำกันหาวนาแล้วก็อธิษฐานอุโบสถสมาทานอุโบสถในวันสิบสี่ค่สิบห้าค่าเป็นปกติมาเขาว่าถ้าเดือนขาดก็รักษาสิบสี่ค่ำถ้าวันปกติก็สิบห้าค่ก็คือทุกสิบห้าวันต้องรักษาอุโบสถอธิษฐานว่า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 ดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าในการเมื่อเราเป็นนาคราชเชื่อว่าสังขปาละมีฤทธิ์มากเป็นต้นบทว่าจัตุโรอังเคอธิฐานะอธิฐานองค์สี่มีผิวหนังเป็นต้นเอาไว้ในที่นี้สรปว่าพระโพธิสัตว์อยู่จังบุโบสดอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสังขปาลนาคราชสมาทานศีลอย่างนั้นแล้วก็นอนอยู่บุตรนายพรานสิบหกคน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 แม้พระโู ธ, ธิสัตว์นั้นมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรื อ, เ, อเรือกโกลนลําหนึ่งก็แสดงว่าตัวนี่นะใหญ่มากเรือกโกลนก็เรือไม่ใช่น้อยเลยนะน้องนองต้นมะพร้าวนั่นแหละตัวร่างกายเนี่นะเป็นดุจพวงดอกมะลิที่ห้อยอที่ร้อยเอาไว้งามยิ่งนักประกอบด้วยดวงตาเช่นกับผ้ า, เ, าเช่นกับผลมะกลําแสดงว่าตาแดงศีสันนี้เช่นกับดอกชบาดอกชบาก็สีแดงใช่ไหมก็เป็น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 เขาหอกทิมมาบ่าโอ้ยกลัวเ่ยนะก็กลัวจะโกรธไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกนะก็อธิษฐานจิตแมสมความปรารถนาสมความตั้งใจแล้วนะเขาบอกว่าดีใจเหมือนอะไรดีใจเหมือนคนเตรียมอาหารว่าจะไปใส่บาตรใช่ไหมเห็นพระพิสูจนเดินมาก็ดีใจแล้วก็ใส่บาตรันใดผู้ที่มีใจเป็นบุญสละอัตภาพสละร่างกายสละชีวิตให้เป็นทางก็ฉันนั้นก็ดีใจว่าเขามาเอาเราล้วเนี่ยนะได้บุญแล้ว ถ้าถามว่าถ้าไม่สละอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้ครั้งนั้นบุตรนายพรานเหล่านั้นก็เข้าไปจับหน้าคราชที่หางแล้วก็ฉุดมาตกลงบนแผ่นหินแผ่นดินเอาเหลาคมกริบแทงในที่แปดแทงหมายว่าช่วยกันทิ่มนั้นแล้วก็ทิ่มอีกสอดอีกแปดแทงสอดท่อนหวายดำพร้อมกับด้วยน้ํามเรียกว่าท่อนหวาก็เหมือนกับเชือกนะเชือกท่อนหวาก็เนี่ยประมาณเท่าเกือบเท่าเท่าแขนนะั่นแหละใหญ่มาก เสร็จแล้วก็มีหนามเพราะไม่ได้เลาะ อ, อะไรหรอกเพราะหนามอต้นหวายก็รู้อยู่แล้วว่าหนามมันรอบนะก็จัดเข้าไปถ้าเราคิดอย่างนี้นะฟังฟังคําดูอยทําไมขาดเมตตาเลยเกินแต่คนที่นักล่างูนักล่าปลาเนี่ยเขาเขาเป็นแบบนี้แหละเขาก็ทําอย่างนี้กันดังนั้นถือเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าใ น, ในเรื่องนี้เนื่องจากว่าพยานนาคของเราเป็นเป็นเป็นพระเอกของเราเป็นผู้ที่เรานับถือเราเคารมแหมใครมาแล้ทั้ง โหดร้ายทั้งจิตใจเยี่ยมเหลือกเกินอย่างงั้นอย่างเงี้นะแต่ถ้าลองแบบตอนไหนโทรสังูเหา่าเข้าไปในห้องนอนดูสิแหมหัวตาบเข้าไปเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระรูปหนึ่งว่างูเข้าห้องนอนว่า อ, อาจารย์งูงูเอาก็งูติดไปทําอะไรก็ใช่ตีมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์อย่างงั้นกลัวใหญ่เลยไม่ใช่ดิมันไม่ได้เข้าห้องอาจารย์มันเข้าห้องผมอย่างงั้นเอาเลยให้ผมทายังไงก็เอาไม้กวาดปัดปัดนี้ไปกันแล้วกันเลยนะแหมกลัวหน้าดูเลย ขำแบบใช่เลยไม่ได้เข้าห้องอาจารย์เหมือนนั้นกลัวมากนี่ก็เหมือนกันอนะพญานาก็ถูกน้ําเนี่ยนะของมานี่เคยเป็นเด็กและเรียกว่าอะไรนะละไว้เนี่ยนะนั่นก็รู้ดีก็สอดไว้ดําเนี่ยเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในปากเพื่อประหาร เอาคานหามในที่8ดแห่งคือตัวใหญ่มากนะจะต้องแบบส6คนนะ่ะก็ต้องแบบ8ดคู่ก็ต้องสอนแล้วก็เพื่อจะดึงนะแบกบกู้ยาวมากเลยไม่ต้องต้อง8ดคู่อ8ะคานหามอ่ะนะจึงจะหามไปได้งูใหญ่มากเลยพระโพธิสัตว์นั้นถูกแทงด้วยเหลาก็หลับตาไม่ได้มองดูลูกของนายพรานเหล่านั้นในทีเดียว นาคราชนั้นเมื่อลูกเมื่อลูกนายพรานแปดคานหามเนี่ยนะหามเอาไปห้อยศีรษะไปกระทบแผ่นดินเนี่ยก็แล้วก็ห้อยหัวลากดินไปเลยนะลำดับนั้นพวกลูกนายพรานเห็นว่าศาีรษะนาคราชห้อยจึงให้หนาคราชนั้นนอนบนทางหลวงนะก็เอาวางไว้ก่อนช่วยกันวางไว้ก่อนแล้วเอาหาวเอาเอาหลาวและเอาหลาวแหลมเนี่ยนะแทงที่จมูกแทงที่จมูกแล้วก็สอดเชือกยกศีรษะขึ้น คล้องไว้ที่ปลายคานแล้วก็หามกันต่อไปจะได้ไม่ต้องลากใช่ไหสรุปว่าพวกลูกนายพรานเป็นคนดุราาด้ายหยาบชาไม่มีใจกรุณาได้เห็นเราแล้วถือไม้พลองตะบองสั้นกรูเข้ามาหาเราในที่นั้นพวกลูกนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูกที่หางที่กระดูกสันหลังแล้วก็สอดคานหามเราไปถ้าเราปรารถนาจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่ไม่มีเดชไม่มีอำนาจนะ ถ้าเราปรารถนาก็พึงยังมหาปัตภีอันมีมหาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมทั้งป่าใหญ่ทั้งภูเขาให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้ น, น, นแต่เราไม่โกรธเคืองลูกพรานทั้งหลายแม้จะแทงด้วยหลาวแม้จะทุบตีด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเรา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 ทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์นี้ถูกผูกพวกไอ้นายพรานทั้งแปทั้ง16คนเนี่ยนะหามไปอย่างนั้นมีลูกมีเศรษฐีกุดุมพีชาวชื่อว่าอาลาระอาลาระนี่จริงๆ ก, ก็แปลว่าใหญ่นะคนสูงใหญ่เป็นชาวเมืองมิถิลานำเกวียนห0 0นั่งอยู่บนยานอันสำราญ ไปเห็นพวกลูกนายพรานเหล่านั้นกําลังหามพระโพธิสัตว์คือพญานาคไปก็เกิดความสงสารถามพวกพรานเหล่านั้นว่าพวกท่าน น, นํานาคราบนี้ไปทําไมพวกท่านจะนําไปทําอะไรพวกในลูกนายพรานก็ตอบว่าพวกเราจะปิ้งเนื้ออร่อยอ่อนนะอร่อยที่อ่อ น, ออนแล้วก็อ้อนวออนของพญานาคกินเนี่ยนะพวกที่เคยกินเนื้องูนี่บางคนเนี่ยดีใจมากที่จะได้กินแบบอะไรนะกินพวกพวกชอบกินอาหารป่าเนี่ยนะ พวกนี้เนี่ยถือว่าอร่อยอร่อยถือว่ามีความสุขมากโปรดปรานมากเนียนะต้มอย่างอ ร, อร่อยอร่อยเนยนะของเรานี่ดี เ, เกิดมาในอะไรนะเป็นชาวเมืองอ่ะนะก็เลยดีนะถ้าเป็นชาวป่าชาวเขาแล้ววันไหนที่เขาไปล่า ง, งูได้มาเนี่ยนะดีใจมากนะนะก็สมัยอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะนะช่วงนะนะั้นถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยพอมาเนี่ยกิจกรรมอันหนึ่งก็คือไปล่า ง, งูค่อยฆา ง, งูชาตินี้ฆามากน่าจะเป็นร้อยตัวได้ อันนี้ถูกฆ่าอีกหลายชาติน่าอย่างเงแต่ว่าตอนนั้นถามว่าการุณาสักนิดมีไว้บอกไม่ดีใจซะอีกอได้แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปเห็นงูเหา่ากลางคืนแล้วก็สองฝ่ายมันก็ขูฟู่แล้วก็เลยยิงด้วยทะลูกศอกได้เลยอันนั้นก็แมมแต่มันดิน้นแล้วก็ภาพ ป, ประทับใจอยู่ไหมกันประทับใจที่เลวร้าย <c oughs> ก็โทษของวัดตะชิมจี๋ไงนะ พวกนายพรานเหล่านี้นะเราพอฟังคําาอย่ำนี้เราก็นึกเข้าใจเลยว่าพวกนายพรานนี่มันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีใจคําว่าเมตตาการุณาคิดเอือ้ออาทรหวังดีปรารถนาดีมันคนบาปนี่ยังไงมันก็คิดเป็นเป็นบาปเพราะถูกสั่งสอนถูกเสียมสอนด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นคนที่เกิดมาในเวทวงในสมาคมของอาศาัตรุษมันก็คิดเยี่ยงกับอาศาัตรุษทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีจิตใจที่โหดร้าย อนนะดุร้ายพันพวกบุตรนายพรานนี่ก็เหมือนกันบอกว่าเนี่ยเราจะได้ปิ้งเนื้ออันอร ե ตอร่อยแสดงว่าวันนี้ตั้งวงเลยนะขณะนี้ก็ฉลองกันห ล, ลายมือเลยแหละกุดุมพีคนนี้เป็นคนมีบุญเนี่ยนะเป็นคนมีศรัทธาสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็คนเนี่ยจะเป็นอัครส า, าวกของพญานาคเพราะอะไรก็คือใครภาษาริบุตรของเราอีกนั่นแหละก็เลยให้โคใช้างานสิหตัว เรียกว่าแรกด้วยเรียกว่า16คนใช่ไหมเอาโคกันไปคนละตัวเลยแล้วก็ให้ทองคำํำฝายมือหนึ่งแก่พวกลูกของพรานเหนะั้นให้ทองคำอีกนะเอาคนละเส้นคนละเส้นไปเลยแล้วก็ให้ผ้านุ่งห่มแม้แก่ภรรยาของพวกนายพรานทุกคนแบ่งผ้าให้อีกไงเนะพราะเขเป็นพ่อค้านะแล้วก็ให้วัตถุสิ่งของที่ระลึกแก่พวกลูกนายพรานอีกไหม เราว่าให้ตัวนายพรานให้ทั้งโคให้ทั้งทองให้ผ้าแก่แม่บ้านให้ของขวัญแก่เด็กๆลูกของพวกนายพรานอีกก็กล่าวว่านาคนี้เป็นนาขราศมีอนุภาพมากเป็นพญานาคที่ไม่ประทุษร้ายพวกทั้นด้วยด้วยศีละคุณของตนคือเนื่องจากพญานาคนี้เป็นคนมีศีลพวกที่ทําให้นาคราศนี้ลําบากเป็นบาปมากปล่อยเสืเอ่อเธอก็คือวิธีขอของเขาอ้อนวอนนะ ก็ฉลาดขอฉลาดขอซื้อว่ามาโอ้ยนาคราชมีฤทธิ์มากนะดูสิพญานาคไม่ต่อสู้ไม่ประทุษร้ายเพราะพญานาคเป็นสัตว์ที่มีศีลพวกท่านทําให้หนาคราชมีศีลลําบากบาปมากนะปล่อยเธอลูกนายพรานก็บอกว่านาคนี้เป็นอาหารอันอริสอร่อยของพวกเราก็แปลว่าเป็นผู้ที่กินงูโดยธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวนาคตัวอ้วนๆอันนะนี้คงจะอร่อยมากนะ อ่พวกราม่ข อ, อพวกเราไม่เคยกินนาบแบบใหญ่แบบนี้มาเลยอย่างั้นเอาเถอะพวกเราบูชาถ้อยคําของท่านเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยนาบนี้แล้วก็ปล่อยให้พระโพธิสัตว์นอนบนแผ่นดินเพราะความหยาบชาของตนก็เลยจับเอาปลายไหวายและเถาวัลย์ที่ร้อยไว้ด้วยน้ําเหล่านั้นกระชากออกคยเคยไอความที่ใจเยี่ยมใชมแทนที่จะดึงแบบค่อยๆ ค, คลูดออกไป มันแบบดึงแบบทวนนะนะเหมือนกับว่าดึงไผ่ตั้งกระยอดมาจะเป็นยังไงนี่ดึงไหวตั้งกระยอดมาแล้วก็หนามันก็ครูดเนี่ยนะไม่รู้ท้องไส้ทะลักอะไรมาบ้างครั้งนั้นกุดุมพีนั้นเห็นพญายนาคราชลำบากจึงไม่ทำให้ลำบากด้วยการตัดเอาดาบนั้นนะตัดเอาเถาวันค่อยๆดึงออกมาไม่ให้เจ็บปวด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 ทางจมูกของนาคราชเพราะว่าถูกร้อยจมูกจมูกก็ถูกเจาะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอดีตชาติท่านเคยเคยเกิดเป็นชาวนาเป็นต้นถ้าเกิดเป็นชาวนาเนี่ยถ้าจะฝึกวัวควายทางไงนเพราะวัวควายที่เก็ร้อยเชือกที่จมูกอยู่แล้วเะะนี่นะท่านก็จ้องเอาเหล็ลกแห ล, ลมๆเนี่ยทิ่มไปที่จมูกแล้วก็เจาะจมูกแสดงว่าอดีตพระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นลูกชาวนาเคยเจาะจมูกเป็นต้นเจาะจมูกสัตว์กรรมอันนี้เวลามาเกิดเป็น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 ตืนตันในพระคุณที่ที่อาลาละเนี่ยนะเป็นคนที่มีเมตตาก็มองด้วยน้ําตาเอืบอิ่มพวกนายพรานเนี่ยนะก็หลบไปได้หน่อยหนึ่งพวกนายพรานก็แอ บ, บปรึกษากันว่าพวกนาคนี่อ่อนกําลังเมื่อพวกนาคตายแล้วพวกเราเอาไปกินต่ออีกนะเนี่ยนะตายแน่นอนงานนี้นาคนะเราทุบมาขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเศรษฐีก็ปล่อยทิง้งแถวนี้เดี๋ยวเราเอาไปปิ้งต่อละกัน ส่วนอาราลกุมพีเนี่ยนะก็ไหว้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าไปเถิดท่านพญานาคพวกนายพรานไม่จับท่านอีกแล้วก็ตามไปส่งพญานาค่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ไปยังนาคขภิพภะไม่ทําให้เสียเวลาในนาคขภิพภะออกมาใหม่เนี่ยนะไปถึงนาคขภิพภะก็แต่งองค์ทรงเครื่องกลับมาใหม่พร้อมด้วยบริวารใหญ่เข้าไปหาอาร า, ล, าละพันนานาคุณของนาคขภิพภะแล้วก็นําอาราละ ไปยังหน้าคาพิภพนั้นให้ยศยิ่งใหญ่พร้อมด้วยนางหน้าคากัญญา300แก่อาราะทําให้อา ร, าระนะเอิบอิ่มด้วยกามทิปเนี่ยนะอาระกับโอรา น, นี่มันอันเดียวกันนะนนะเอาสะอาเป็นสะโอซะเนี่ยนะก็เป็นแล้วก็โอรา น, นั่นเองนะให้ท่านโอรานนะโอรานก็ประกาศถึงเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใหญ่อย่างนะั้นแหะท่านโอรา น, นี่ก็อยู่ในหน้าคาพิภพได้ปีหนึ่ง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 พระคุณเจ้าพระคุณท่านท่านบวชมาจากตระกูลที่มีสมบัติมากเพราะเหตุไรท่านจึงบวชคือพระราชานี่เห็นลักษณะของฤาษีนี้เขาบอกว่าคนที่เรียนอะไรนะบบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษเห็นหุ่นนี่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนวิชาจินแสมานะเขาเรียกว่าวิชาจินแสหรือทางสายพราหมณ์อินเดียเนี่ยเขาก็มีวิชาหมอดูของเขาดูลักษณะคนเฮ้ย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 เป็นพหูสูตรมีความคิดถึงเหตุมากมายควรครบแท้ข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงฟังเรื่องราวของนาคราชและของอาตมาภาพแล้วขอจงทรงทาบุญไม่น้อยเถิดก็แปลว่าอะไรอย่าทําน้อยทําให้มันเยอะๆเนี่ยนะอย่าทําน้อยกันแล้วกันถ้าคิดว่าน้อยเมื่อไหร่ก็ยงเลิกก็เพิ่มไปกันแล้วกันบางัน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 เมื่อมีการเบียดเบียนก็ไม่ทำลายศีลเนี่ยนะหมายกว่าถูกเขาประทุสร้ายถูกเขาเบียดเบียนตั้งทั้งที่ตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจก็ไม่ทำลายฝ่ายตรงข้ามเลยอันนี้เป็นศีลบารมนีนะทนรักษาศีลตัวเองได้การละพกขสมบัติเช่นกับพกขสมบัติของเทพแล้วออกจากหน้าคพปภ บ, บัมเพนสมณธรรม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 การสมาทานสัจจะชื่อว่าสัจจบา ร, รมีเพราะท่านทําตามที่ท่านสมาทานเอาไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อท่านสมาทานไว้แล้วท่านก็ทําตามอันนั้นเป็นสัจจะบา ร, รมีของท่านการตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวนี่เป็นอธิฐานบา ร, รมีว่าเราจะไม่ลืมตาดูแลเราจะไม่โกรธถ้าเราโกรธแล้วเขาตายเป็นต้นเนี่ยนะตั้งใจไว้มั่นอันนั้นเป็นอธิฐานบา ร, รมีความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมายถึงพวกลูกในพานเหล่านั้นอันนั้นเป็นเมตตาบารณีท่านมีเมตตานะเมตตาว่าขอผู้ที่ต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปต้องการเลือดก็เอาเลือดไปก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยสมความปรารถนาอันนั้นก็เป็นเมตตาท่านรู้ด้วยนะว่าถ้าท่านทําลายคนเหล่านั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นใจกรุณาไม่ต้องการให้เขาประสบความทุกข์เหล่านั้นเพราะว่าถ้าทํำแล้วเขาเดือดร้อนแน่อันนั้นก็เป็น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 ท่านจะไปทนให้เขาโอ้ยประทุษร้ายทั้งคืนได้ยังไงนะเช่นไปโปรดอะไรนะอารวะกยักษ์เนี่ยนะที่เมืองอารวีเนี่ยนะทั้งคืนเลยนะแล้วก็อีกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่ ท, ที่ที่ทำให้บางทนเขาไปนั่งฟังเขาด่าโจนเนี่ยนะแตเพื่ออะไรก็เพราะเพื่อจะสงเคราะห์เขา น, นั่นแหละเนี่ยนะสรุปในบารมีทั้งสิบเนี่ยนะตั้งแต่ทานเออขออภัยสีลบารมี ศีลบารมีในในวัคเนี่ยนะวัดที่สองเนี่ยโดยมากก็เป็นเรื่องของศีลเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างมาตังคะาจริยาเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นศีล น, นะเพราะว่าอะไรนะศีลทุกชาติเนี่ยนะก็เป็นศีลอุปปารมีนะก่อนหน้านี้เป็นตังค์าเป็นอะไรเป็นต้นส่วนปาระมัาถารมีคือชาติที่เป็นสังคปาละสังคปาละนาคราณนี่เป็นศีลปาระมาถารมี ในพุทธพจน์ ท, ที่พระองค์บอกว่าศีละวะนาคราสีละวะนาคือช้างนะผูริทตะนาคราชจัมปะยะนาคราชจูรลโพธิจริยามหิสรารจริยารูรุมิขจริยามาตังคะจริยาธรรมเทวปุตตะจริยาชยทิจริยาแล้วก็สังขปาละจริยาทั้งสิบเรื่องเนี่ยนะนี้เป็นกำลังของศีลเนี่ยนะคือศีลเนี่ยมีกำลังขนาดนี้อย่างนี้ คุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นบริวารของศีลเราได้สละชีวิตตามรักษาศีลเราผู้เป็นสังฆปาและนาคราชได้มอบชีวิตให้แก่คนใดคนหนึ่งแม้ตลอดกาลทุกเมื่อเพราะฉะนั้นบารมี น, นี้จึงเป็นศีลบารมีเขาบอกว่าศีลนี่เป็นกาลังคำว่าศี ล, ลพลาเนี่ยหมายถึงว่ามีศีลเป็นกาลังโดยความเป็นไปด้วยการบางเพนศีลบารมีเป็นพิเศษ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 สังฆปาละจริยานี้จึงเป็นปรัมมัทธปารามีจึงเป็นศีลบารามีของเราอันนี้ก็จบจบกลุ่มศีลบารามีเนี่ยนะหมายถึงว่าชื่นชมยกตัวอย่างเรื่องศีลเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่ศีลอย่างเดียวแต่ว่าศีลนี่ถือว่าเป็นพิเศษเนี่ยนะอย่างเหมือนกับอะไรน ะ, ะนี่มลพระมาฉันเพลยังไงก็ไม่ใช่ฉันอย่างเดียวหรอกก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างอื่นอีกังมากมายแต่ทำไมยก อาหารเป็นประธานเนี่ยนะยกอาหารเป็นประธานพวกบารมีสิบก็เหมือนกันท่านก็ทำบารมีสิบแต่ว่ายกอะไรเป็นประธานเนี่ยนะยกอะไรเป็นตัวอย่างอะไรเป็นประธาน